ส่วนที่หนึ่งนะคะเรื่องนิพพานหัวข้อแรกขันติเรื่องโอวาทปาติโมแม้จะมีคนพูดกันมามากแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามีความภัยราะอยู่ในโอวาทปาติโมบรรทัดแรกในโอวาทปฏติโมพระพุทธเจ้าตรัสว่าตีติขาขันติขันติเป็นตาบะอย่างยิ่ง ขันตีปรมังตะโปตีติขาส่วนมากจะแปลว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งทำให้งงเหมือนกันว่าความอดทนกับความอดกลั้นต่างกันอย่างไรความหมายของความอดทนประเภทตีติขานี้คืออดทนต่ออารมณ์ที่มายุ่วยวนให้โลภให้โกรธให้หลงให้รัก ให้ชังให้เกลียดให้กลัวอดทนต่อคาด่าว่าเสียดสีนินทาว่าร้ายต่างๆเป็นความหมายของคาตีติขาผมรู้สึกเป็นความงามตรงที่ว่าประเภทที่ท่านแสดงความอดทนเป็นความอดทนต่ออารมณ์ที่มายุ่วยวนต่างๆรวมทั้งคำด่าว่าเสียดสีมันเป็นตะบะอดทนประเภทอื่นยังไม่เป็นตะบะ อย่างที่ตรัสกับพระอนุ์ตอนหนึ่งที่ว่าอาหังนาโควะสังคาเมจาปาตุปฏิตังสรังเราเปรียบเหมือนช้างศึกที่ก้าวลงสู่สงครามจากอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกที่อดทนต่อลูกศรที่มาจากทิศทั้งสและยังมีต่อไปอีกว่า เป็นคนที่อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้อติว่ากยังติติขิดสังอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้อันนี้เป็นประเภทหนึ่งของความอดทนที่น่าสนใจมากอีกอย่างหนึง่งอดทนต่อความตรากรามลำบากความเหน็ดเหนื่อยท่านเรียกว่าทีติขันติอย่างนี้ไม่เป็นตะบะ อย่างที่ตรัสในคารวะสธรรมสัจจังดโมทีติจาโคนั่นคือขันติอดทนความยากลำบากรกตรามทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยหนักเอาเบาสู้ก็สมกับที่ทรงสแสดงว่าเป็นคารวะสธรรมตะบะในโอวาทปฏิโมกนี้เกี่ยวกับอารมณ์ซึ่งอดทนได้ยาก จึงเน้นให้ภิกษุอดทนกับเรื่องพวกนี้จึงเรียกตีติกขาคือทั้งอารมณ์ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่น่าพอใจก็ต้องอดทนด้วยนะครับไม่ใช่ยินดีหมกมุ่นเพราะมันยั่วยวนให้เกิดปัญหาเหมือนกันแล้วก็ต้องคนเข้มแข็งถึงจะอดทนกับมันได้ ผมมองเห็นความงามของพุทธโอวาทในโอวาทปาติโมกตั้งแต่บรรทัดแรกทีเดียวความอดทนอีกแบบหนึง่งท่านใช้คำว่าอธิวาสนะขันติในมหาปรินิพานสูตรที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงอดทนต่อทุกขเวทนาอาพาธหนักอันนี้ใช้คำอธิวาสนะขันติตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงอาพาธหนัก ก่อนที่จะปรินิพพานอธิวาเสสิอ า, าพาธหนักเหมือนกับจะเอาชีวิตไปคือใกล้กับความตายนี่ก็พูดถึงขันติความอดทนสามประเภทคือทีติตีติขากับอธิวาสนะท่านใช้ไม่เหมือนกันบรรทัดที่สองของโอวาตปาติโมนะหิ บัณฑิตโตปรูปคาตีสมนโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรัณรชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะอันนี้ก็สวยเพราะบัพชิตแปลว่าผู้ลอยหรือผู้เว้นเว้นอะไรเว้นบาปลอยอะไรลอยบาป อย่างวันลอยกระทงถ้าเรานัดกันใหม่ว่าวันนี้เป็นวันลอยบาปกันสักวันดีไหมไม่มีอบายามุกวันนี้แต่ตามความจริงแล้วที่ปรากฏอยู่ก็คือวันลอยกระทงเลือดสาดกันทุกปีบางคนก็คอยจ้องเข้าบ้านขโมยของคนที่ไปลอยกระทงกันเพราะเราไม่ได้ลอยบาปสมณะแปลว่าผู้สงบ คือสงบจากกิเลสสงบจากบาปเพราะฉะนั้นถ้ายังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่โดยวิธีใดวิธีหนึ่งการเบียดเบียนมันมีหลายประการเมื่อยังเบียดเบียนอยู่จะเป็นสมณะได้อย่างไรไม่เป็นบรรพชิตไม่เป็นสมณะสาวกของพุทธองค์จะต้องงานตรงนี้คือไม่เบียดเบียนถ้าเป็นสมณะจริงก็จะยอมให้คนอื่นเบียดเบียนดีกว่าไปเบียดเบียนผู้อื่น ยอมให้คนอื่นโกงเราดีกว่าเราไปโกงคนอื่นยอมให้เขาหลอกเราดีกว่าเราไปหลอกคนอื่นถึงเป็นลูกศิษย์ของสมณะก็ควรดาเนินตามนี้เหมือนกันหัวข้อต่อไปคือเรื่องนิพพานนิบานังปรมังวดันติบุต ธ, ธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกลัาวว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรม นิพพานฟังดูแล้วเป็นเรื่องสูงส่งแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วเป็นความต้องการของทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องการนิพพานจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนิพพานหมายถึงความดับทุกข์ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ความหมายนี้มีใครบ้างที่ไม่ต้องการจะดับทุกข์มีใครบ้างที่ไม่ต้องการดับกิเลสที่มันสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัว ทุกคนก็ต้องการดับทุกข์ยกตัวอย่างความทุกข์ทางกายเสี้ยนมันตำเล็บหน่อยหนึ่งรู้สึกเจ็บและรำคาญก็อยากจะถอนออกมีความทุกข์อะไรนิดหน่อยจิตใจมันก็ปฏิเสธไม่อยากมีทุกข์ก็ดิ้นรนหาทางว่าจะดับได้อย่างไรทุกคนอยากดับทุกข์แต่ก็ไม่รู้ทางว่าจะดับได้อย่างไร ฉะนั้นโดยนัยนี้ก็คือนิพพานเป็นความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์เพราะนิพพานคือการดับทุกข์ถ้าจะถามว่านิพพานคืออะไรก็มีหลายคําตอบผมเคยให้คําจํากัดความอย่างนี้ว่านิพพานคือการดับกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนทําไมจึงว่าเป็นขั้นเป็นตอน ส่วนมากจะได้ยินกันมาว่านิพพานคือการดับกิเลสโดยสิ้นเชิงอันนั้นก็ไม่ผิดเพราะเป็นปริยายเบื้องสูงแต่ถ้าอย่างนั้นก็จะไม่คลุมมาถึงนิพพานของพระอริยเจ้าในระดับต้นๆ น, นิพพานของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีไปจนถึงพระอรหันต์ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยทั่วไปก็เอาสังโยชนสิบเป็นตัวตั้งแล้วก็ละสังโยชตได้เท่าไรก็เป็นสุดาบันละเท่าไรก็เป็นสากิทาคามีเป็นต้นมีเกณฑ์เอาสังโยชนสิบเป็นตัวประเมินว่าใครได้อยู่ชั้นไหนฉะนั้นนิพพานคือการดับกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนถ้าให้คําจํากัดความอย่างนี้ก็คลุมได้หมดไม่ดิ้นไปไหนได้มันมีหลายปริยาย นิพพานคือการดับดับอะไรได้บ้างประการที่หนึ่งดับอวิชชาความไม่รู้ความเขา่าความโง่ความมืดมนถ้าจะถามว่าเอาอะไรมาดับก็เอาวิชชามาดับอวิชชาเหมือนว่าเราดับความมืดด้วยความสว่างหรือกำจัดก็ได้กำจัดความมืดด้วยความสว่างในทางกลับกัน เมื่อแสงสว่างดับไปความมืดก็เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมาจา ก, กับปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีตรัสว่ายานปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ยานางอุดาปาฏิอาโลโกอุดาปาฏิเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ เมื่อพิจารณาต่อไปก็พบว่าอาวิชชาเป็นมูลรากของความทุกข์นานาประการเพราะว่าความมืดความไม่รู้แจ้งทำให้คนผิดพลาดในปรัชญากรีกอย่างท่านโสเครติสท่านถือว่าความไม่รู้เป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่งเราจะได้ยินคนพูดเสมอว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ทำอย่างนี้ที่ทำไปก็เพราะไม่รู้ อย่างน้อยก็ไม่รู้ผลที่จะเกิดขึ้นอวิชชาแปดไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ความดับทุก์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่คืออวิชชาแปดคนจึงพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้ซะก่อนก็คงจะไม่ทำอย่างนั้น แต่ตอนที่ทําเหตุมันคาดไปถึงผลไม่ได้ไม่รู้อนาคตคือไม่รู้ว่าข้างหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้นคนที่เสพอบายามุกอย่างใดอย่างหนึ่งจนผลมันปรากฏขึ้นในระยะหลังก็มาเกิดความรู้สึกเศร้าใจสลดใจเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้ารู้อย่างนี้แต่แรกก็คงไม่ทําอย่างนี้นี่คืออวิชชา ในทางกลับกันในทางดีทำไปทำไปมันก็ประสบผลดีแต่ว่าไปทำชา้าเสียแล้วเรียกว่าเข้าป่าจวนข่ำหรือมาเจอไม้งามเมื่อยามขวานบินก็เลยอุทานออกมาเหมือนกันถ้ารู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้วคนเฒ่าคนแก่พอหันมาสนใจทำได้ลิ้มรสทำได้รับความเอิบอิ่ไมได้รับความสุขจากธรรม ก็อุทานว่าถ้ารู้อย่างนี้ก็สนใจธรรมเชียตั้งแต่วัยหนุ่มแล้วพอรู้เวลาจะหมดแล้วนี่ก็อวิชชาหรือเปรียบเทียบดูกลางคืนมีความมืดปกคลุมอยู่มองอะไรเห็นไม่ถนัดบางคนก็เห็นงูเป็นเชือกจึงเหยียบเอาก็ถูกงูกัดเกือบตายในทางกลับกันถ้าเห็นเชือกเป็นงูก็ตกใจกลัว โดยที่ไม่มีเหตุผลต้องกลัวนี่ก็อวิชชาอีกก่อให้เกิดความทุกข์จากความกลัวนั้นการกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวกับการไม่กลัวสิ่งที่ควรกลัวก็เป็นอวิชชาทีนี้ถ้าเป็นกลางวันมีแสงสว่างพอเรามองเห็นงูเป็นงูเชือกเป็นเชือกเราก็ปฏิบัติถูกต้องไม่ถูกงูกัดแล้วก็ไม่ต้องกลัวโดยไม่สมเหตุ อันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับในทํานองเดียวกันในทางนามธรรมาคนที่ยังมีอวิชชาได้มีโมหะอยู่ก็จะเห็นอะไรอะไรในชีวิตไม่ชัดเจนเข้าใจผิดทำผิดพูดผิดดำเนินชีวิตผิดความทุกข์ก็ตามมาเมื่ออวิชชามีมากอยู่วิชชาก็เกิดขึ้นไม่ได้พอวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาก็ดับไป เหมือนกับเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ดับไปการดับอวิชชาเสียได้คือนิพพานโดยปริยายหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงนิพพานไว้หลายปริยายประการที่สองความสิ้นราคะโทสะโมหะนี่ก็เรียกว่านิพพานราคะโดสะโมหคยาปรินิพุโต เพราะสินราคะโทสะโมหะก็เรียกว่านิพพานมีคนสงสัยอยู่เสมอว่านิพพานกับปรินิพพานต่างกันอย่างไรคำตอบคือเหมือนกันบางแห่งฉันทลักบังคับเท่านั้นว่าตรงนี้ต้องให้เต็มเป็นปรินิบุตโตแต่บางแห่งก็นิพพาน แล้วก็ใช้ได้กับทั้งพระอ า, าราันทั่วไปพระพุทธเจ้าพระปัจเจของพุทธเจ้าใช้ได้หมดที่สังเกตมาใช้แทนกันได้หมดฉะนั้นไม่ต้องไปแยกหลายคนถามเสมอว่าปริญนิพานใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นหรือดับสังขารเท่านั้นหรือขณะที่ยังทรงพระชนอยู่จะไม่ใช้ปริญญนิพานนอกจากนั้นยังสงสัยต่อไปว่า ใช้กับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่เสียชีวิตแล้วที่ดับขันแล้วเป็นอนุปาที่เ ส, สานิพพานคือดับรอบปริณิพุโตแปลว่าดับรอบเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับที่พระสารีบุตรตอบก็มีในชามผู้ขาทากัดสูตรสังยุตตินิยพระไตรปิฎกเล่มที่18ปชามผู้ขาทากับปริพาชกถามพระสารีบุตรว่า ที่เรียกว่านิพพานนิพพานนั้นคืออย่างไรพระสารีบุตรตอบว่าราคะขยโยโทสะขยโยโมหะขยโยอีดางวุตจตินิพพานังดูก่อนอาวุโสเพราะความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นแหละคือนิพพานและปฏิปภาเพื่อไปให้ถึงนิพพานนั้นมีอยู่อย่างไรเขาถามต่อ พระสารีบุตรตอบว่าปฏิปทานนั้นคือมากมีองแปดนั่นเองราคะโทสะโมหะนี้โดยปริยายหนึ่งในอาทิตตปริยา ย, ยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไฟบางแห่งตรัสว่าเป็นลูกศรเพราะว่ามันเสียบแทงแล้วก็เผาจิตใจให้ร้อนและเสียบให้เจ็บผู้ที่ดับราคะโทสะโมหะ ก็จะไม่มีความร้อนใจและไม่มีความเจ็บใจมีแต่ความเย็นความเย็นนั่นแหละคือนิพพานประการที่สามการดับตัณหาเรียกว่านิพพานมีสุภาษิตในธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ว่าตัณหายะอเศะวิราคะนิโรโธจาโคปตินิสัคโคมุติอนาลโย การคลายออกซึ่งตันหาการดับตันหาโดยไม่เหลือเรียกว่านิโรธหรือนิพพานอีกอย่างหนึง่งนิพพานหมายถึงออกจากเครื่องเสียบแทงคือตันหาท่านที่ต้องการรายละเอียดลองอ่านเรื่องมงคลทีปณีว่าด้วยนิพานสัจจิกิริยาท่านจะให้สับไวละเอียดของพระสิริมังคลาจารย์ ประการที่สการดับทุกโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิพานอันนี้มีพระบาลีในปฏิจจสมุปบาทเอวเมตตะเกวลัสะดุขขันทัสสะนิโรโทโหติการดับกองทุกข์โดยสิ้นเชิงย่อมมีด้วยประการชนี้คือดับทุกข์โดยสิ้นเชิงก็สืบเนื่องมาจากการดับโดยอวิชชาเหมือนข้อที่หนึ่งท่านจะเริ่มต้นมาจาก อวิชายตาเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธในปฏิจจสมุปบาทสายนิโรธวาลก็จะดับมาเรื่อยเริ่มจากดับอวิชชาดับมาเรื่อยกองทุกทั้งมวลย่อมดับไปด้วยประการเชนี้จะสรุปลงว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เมื่อดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกมันก็ดับไป ก็สงบเย็นต่อไปเป็นหัวข้อเรื่องนิพพานในความหมายสามัญผมจะพูดโยงมาถึงเรื่องนิพพานนาสับที่มีความหมายสามัญคือนอกจากมีความหมายในการดับกิเลสแล้วก็ยังมีความหมายสามัญคือหมายถึงดับไฟดับความร้อนดับดวงประทีปเป็นต้นเช่นคําว่า ปัชโชตัดเสวานิ บ, บานังเหมือนดวงประทีปดับดังที่กล่าวในมหาปรินิพานสูตรที่ใครต่อใครมากล่าวตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานมีอยู่คาหนึ่งว่าปัชโชตัดเสวานิ บ, บานังพระพุทธเจ้าปรินิพานเหมือนไฟดับอักคินิ บ, บาเปยะไฟพึงดับอักขินิ บ, บุตโตไฟดับแล้ว อกขีอนาหารโรนิบุตโตไฟไม่มีอาหารคือหมดเชื้อดับไปแล้วบางทีข้าวต้มก็มีสาลิกูรังสุนิบุตตังข้าวสวยแห่งผ้าสาลีเย็นดีแล้วก็คือที่มันเคยร้อนแล้วก็เย็นลงเรียกว่านิพานลงเขาใช้ในภาษาสามัญหรือบางทีก็ใช้ในความหมายของเย็นใจก็ได้ไม่ต้องเดือดร้อน เช่นที่กล่าวสรรเสริญพระสิทธทัตทะยังเป็นพระราชกุมารอยู่ท่านเดินมาแล้วก็มีผู้เห็นเข้าเห็นลักษณะแล้วก็เปล่งอุทานออกมาว่านิบุตานูนะสามาตานิบุโตนูนะโสปิตานิบุตานูนะสานารียัสชายังอีดิโสปติแปลว่าชายเช่นนี้ผู้ใดเป็นมารดาบิดา เป็นพันรยาผู้นั้นก็เย็นใจได้คือไม่ต้องเดือดร้อนเป็นคำที่พระนางกีสาโคตมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งในสากยาวงศูทาออกมานี่ก็นำมาใช้ว่าเป็นการเย็นใจใช้ได้ในภาษาธรรมดาบางครั้งก็ใช้นิบุโตนิบุตตาเป็นรูปศัพท์หนึ่งของนิพพานนั่นเองคำว่านิพพานจึงน่าจะมีใช้อยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะถึงนิพพานในภาษาสามัญก็มีแม้ในภาษานักบวชก็มีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้บรรลุพระนิพพานดูจากคำทูลถามปัญหาของโทตกะมานพสิทธพรามภาวรีก็ทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมว่า เมื่อฟังแล้วจะได้ศึกษานิพพานของตนเขาใช้คำบาลีว่าตวะสุตวานะนิโคสะสิกเเนิบานามัตตโนเมื่อฟังแล้วก็จะพึงศึกษานิพพานของตนนี่เขาก็เพิ่งพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกไม่เคยรู้ธรรมในพุทธศาสนาฉะนั้น นิพพานที่เขาเอ่ยถึงนี่ก็น่าจะหมายถึงนิพพานในลทัทธิของเขาตามที่เขาเข้าใจมานิพพานโดยแนวนิโรธห้าถ้าเอานิโรธห้ามาตั้งคําว่านิโรธเป็นไวยพจน์ของนิพพานนะครับเอาวิมุตห้ามาตั้งก็จะยิ่งเห็นว่านิพพานเป็นสิ่งที่ตั้งแต่ปุถุชนไปจนถึงพระอรหรันต์ ปุถุชนก็ได้ริมรถพระนิพพานตัวอย่างข้อหนึ่งตะทางคานิโรธแปลว่าดับกิเลสได้ชั่วคราวหรือดับกิเลสได้ด้วยองค์ธรรมนั้นๆเช่นดับความโกรธได้ด้วยเมตตาเมื่อมีเมตตาอยู่ความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นใครที่มีเมตตาอยู่โดยไม่แสดงความโกรธออกมาเลยก็คือได้นิโรธ ได้วิมุตเหมือนกันนี่สำหรับปุถุชนคือได้ลิ้มรสอย่างน้อยก็เป็นนิพพานตัวอยา่างทีนี้ถ้าเผื่อรักษาไว้ได้คือเย็นอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับพระอริยะแต่ว่าของปุถุชนมันไม่เด็ดขาดมันแค่ชั่วคราวแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกอย่างการหายจากโรคคนที่หายจากโรคเด็ดขาดกับคนที่หายจากโรคชั่วคราว ภาวะแห่งความหายจากโรคมันก็เหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าผู้ที่หายเด็ดขาดมันไม่เกิดขึ้นอีกผู้ที่หายชั่วคราวมันเกิดขึ้นอีกแต่ระหว่างที่มันหายมันก็เหมือนกันถ้าเขาสามารถรักษาไว้ได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกมันก็เหมือนกันแบงร้อยของยาจบ ก, กับแบงร้อยของมหาเศรษฐีค่ามันเท่ากัน แต่ว่าของมหาเศรษฐีเขาใช้ไม่รู้จักหมดเพราะเยอะแต่ยาจบเดี๋ยวก็หมดแล้วต้องหาใหม่ทำนองนั้นข้อสองวิขำพนะนิโรธวิขมพนะวิมุตความหลุดพ้นของผู้ที่ได้ฌานระหว่างได้ฌานอยู่ก็มีอาการเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้สำเร็จเป็นพระอริยะมันเหมือนอาการคุมโรคไว้ได้มันก็เหมือนคนไม่มีโรค ตลอดเวลาที่ยามันทำงานอยู่ฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของผู้ได้ฌานข่มกิเลสไว้ได้ด้วยอานาจฌานข้อที่สามสมุดเฉทาิโรธสมุดเฉทวิมุตติดับได้เด็ดขาดอันนี้แหละเป็นของพระอริยะหลุดพ้นเด็ดขาดเป็นเรื่องๆไปอันไหนละได้แล้วก็เป็นอันละได้เลยดับได้แล้วก็ดับได้เลยไม่เกิดขึ้นอีก เหมือนโรคนั้นหายขาดเลยไม่เกิดขึ้นอีกตลอดชีวิตข้อ4ปฏิปัสสธินิโรธปฏิปัสสธิวิมุตตแปลตามตัวหมายถึงดับด้วยความสงบไว้ที่จริงคือขณะแห่งอริยผลสมุทเฉทวิมุตตเป็นขณะแห่งอริยมรตปฏิปัสสธินั้นในขณะแห่งอริยผล ข้อหนิสรรนานิโรธนิสระนวิมุตตแปลตามตัวว่าหลุดพ้นด้วยการสลัดออกไปนี่คือนิพพานฉะนั้นสามตัวหลังนี้สมุตเชทะปฏิปสตินิสรรณะนี่คือมรรคผลนิพพานได้นิพพานที่แท้จริงเหมือนคนกินยาเข้าไปตัดโรคระหว่างที่ยามันจับโรคอยู่คืออริยมรรค เมื่อหายจากโรค ก, ก็เป็นอริยผลการหายจากโรคนั้นดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไปก็เป็นนิพพานท่านอาจารย์วสิณท่านได้อธิบายคำว่านิพพานต่อไว้ดังนี้นะคะเมื่อผมไปสอนนักศึกษาที่เรียนวันอาทิตย์ก็สงสัยคำอธิบายนิพพานบางอย่างเช่นสาวุปาที่เสสานิพพาน อนุปาที่เสสานิพานซึ่งผมอธิบายสองปริยายคือที่มีในตำราเรียนของพระสงฆ์ก็มีปริยายเดียวสอปปาที่เสสานิพานดับกิเลสของพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ดับกิเลสหมดแล้วแต่ว่าขันยังอยู่เรียกว่าสอุปาที่เสสานิพานดับกิเลสแล้วมีขันเหลือท่านแปลอุปธิว่าขัน ส่วนคำอนุปาที่เสษานิพานดับกิเลสแล้วและไม่มีขันเหลืออยู่ด้วยปริยายนี้รู้กันโดยทั่วไปที่นี้มีอีกปริยายหนึ่งที่ท่านอธิบายแปลกออกไปคือในพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อ216นวกะนิบาตังคุตตะนิกายชื่อสาอุปาทิเศศ ส, สูตร แบ่งสาวุปาที่เสสบุคคลออกเป็นเก้าจำพวกสาวุปาที่เสสนิพานคือนิพานของท่านที่ดับกิเลสบางส่วนแต่ว่ายังเหลือบางส่วนคือไม่ใช่ของพระอาราหันต์เป็นของพระโสดาบันถึงพระอนาคามีในที่นี้ท่านไม่เลงถึงขันท่านเลงถึงกิเลสคือดับกิเลสบางส่วนยังเหลือบางส่วนตั้งแต่พระโสดาบัน พระโสดาบันก็ถือว่าได้ดักกิเลสบางส่วนแล้วยังมีบางส่วนเหลืออยู่พระสะกิทาคามีพระอนาคามีก็เหมือนกันแต่ในพระสูตรนั้นท่านได้กล่าวถึงสาวุปาที่เสศบุคคลเก้าชมพูคือพระอนาคามีหพระสะกิทาคามีหนึ่งพระโสดาบันสท่านที่สงสัยว่าท่านเหล่านี้คืออย่างไร ก็ไปเปิดดูในธรรมวิภาคหมวด5หรือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกก็ได้แล้วก็สกิทาคามีหนึ่งไม่แบ่งประเภทแล้วก็โสดาบันสก็เอกะพีชีมาเกิดอีกหนเดียวโกลังโกละก็อีกสสัมชาติสัตตขัตตุปรมมะเกิดอีกอย่างมากเจดชาติไม่ถือเอาพบที่8 ทั้งหมดนี้ก็รวมกันเป็นสอุปาทิเศษะเอันนี้มีเรื่องนา ม, มาอย่างนี้นะครับคือพระสารีบุตรท่านไปบินธบดีตอนเช้าเห็นว่ายังเช้าอยู่ก็เลยไปสนทนากับปริพาโชคที่อารามพวกปริพาชกก็พูดว่าสอุปาทิเศษะบุคคล น, นี้จะต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดเลยพระสารีบุตรท่านไม่คัดค้านไม่อนุโมทนา พอได้เวลาสมควรท่านก็ลุกจากอาสนะแล้วก็คิดว่าจะมาทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทราบแน่ในเรื่องนี้บินธบาดแล้วฉันอาหารแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าตรัสว่าปริพาชกโมเ ข, ขาไม่รู้จักสอุปาที่เสสะบุคคลและตรัสถึงสาอุปาที่เสสะบุคคลก้าจพวกว่าสิ้นชีพแล้วไม่ตกนรก ไม่ไปอภัยแน่นอนแค่พระโสดาบันนี่ก็ปิดอบายได้แล้วจะตูหะปาเยหิจะวิปมุตโตพ้นจากอบายสีแน่นอนนี่พูดถึงนิพพานสองปริยายการอธิบายถ้าลึกซึ้งก็ต้องอธิบายหลายในยะนะครับอย่างที่วัธรรมกายสอนอายตนะนิพพานผมว่าจะเข้าใจผิดกันจากพระพุทธพจน์ที่ว่า อธิพิคเวตาดายตนังในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อหแล้วพระไตรปิฎกภาษาไทยแปลอย่างนี้ว่าอายตนะคือนิพพานตามความเข้าใจจะใช้คำว่าอายตนะนิพพานนั้นไม่ได้เพราะในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ใช้คำนี้ไม่ได้ใช้คำว่าอายตนะนิพพาน แต่ว่าเป็นการปฏิเสธอะไรต่ออะไรต่างๆที่ตรงข้ามกับนิพพานนะครับแต่บอกว่าอันนั้นมีอยู่ตาไดยะตนณังคือสิ่งนั้นมีอยู่แต่ปฏิเสธอะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่นิพพานพุทธพจน์เป็นอย่างนี้ครับยัตถเนวะปาทวีนะอาปโปที่ใดที่ไม่มีดินไม่มีน้าไม่มีไฟไม่มีลม ไม่ใช่อาการสารนจายตนะไม่ใช่วิญญาณนจายตนะเรื่อยไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการดำรงอยู่ไม่มีการเคลื่อนไม่มีการปฏิบัติไม่ตั้งอยู่ไม่เป็นไปไม่มีอารมณ์นั่นเป็นที่สุดแห่งทุกข์ อันนั้นแหละมีอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในที่ใดอันนั้นเป็นที่สุดแห่งทุกข์สิ่งนั้นมีอยู่ท่านใช้คำว่าอายตนะอายตนะนั้นมีอยู่ไม่ทราบจะใช้คำอะไรแต่ใช้อายตนะนิพพานไม่ได้เพราะมันจะแปลว่าดับอายตนะความหมายคืออันนั้นมีอยู่เป็นที่สุดแห่งทุกข์แต่ว่าไม่ใช่ดินไม่ใช่น้าไม่ใช่ไฟ ไม่ใช่ลมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรทั้งหมดเลยแต่ว่าอันนั้นมีอยู่นะแต่ในความหมายของธรรมกายว่าอายตานะนิพพานนั้นเป็นแดนกว้างยาวเท่านั้นเท่านี้พระพุทธเจ้าพระอรหรันตินิพพานก็ไปอยู่ที่แดนนี้อย่างนี้ยิ่งผิดใหญ่เพราะมันจะเป็นโลกนะครับในที่นี้ที่ว่าอัตถิพิคเวตดายตนนังแล้วก็ ปฏิเสธอะไรอะไรก็ปฏิเสธนายัางอิท่าโลกโก้ปฏิเสธโลกนี้ณปาราโลกโก้ปฏิเสธโลกอื่นแต่ถ้าพูดอย่างเขาก็ยังเป็นโลกโลกหนึ่งจึงไม่ใช่ไม่มีลักษณะนั้นนิพานตามเถราวาดนะครับแม้ในพระไตรปิฎกของเถราวาดก็ระบุไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน ถ้าพูดว่ามีแดนกว้างยาว เ, เท่านี้ก็เป็นโลกแล้วเป็นรูปธรรมขึ้นมาเหมือนเทวโลกเหมือนพรหมโลกที่นี้ถ้ายังเป็นอย่างนั้นก็ถือว่ามีภพอยู่แต่นิพพานมันเป็นภาวนิโรโทนิบา น, นังการดับภพบนั่นคือนิพพานดังนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอายตนะนั้นมีอยู่คำว่าอายตนะนั้นมันมีคำแปลเยอะ บางทีไม่รู้จะใช้คำอะไรก็ใช้คำนี้ไปก่อนอย่างนี้ท่านไม่รู้จะเอาคำอะไรมาใช้นอกจากคำว่านิพพานแต่ในที่นี้ไม่ได้ใช้คำว่านิพพานใช้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่แต่ไม่ใช่นี้แล้วก็ไม่ใช่มาไม่ใช่ไปคืออย่างธรรมกายก็ถือว่ายังมีพบอยู่คือพบนิพพานไปเฝ้าได้ไปถวายอาหารได้ไม่ใช่อย่างนั้น เพราะในทีคานิการโภมชาลสูตรตอนท้ายๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ก็ยังสามารถเห็นพระองค์ได้แต่เมื่อพระองค์นิพพานแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกเลยอันนี้ชัดเจนมากตอนนี้ใครจะเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นธรรมเท่านั้นจะไปเห็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์องค์นั่งอยู่ไม่ได้ อันนี้อยู่ในคัมภี์อุทานปาตาลิคามิยวักเล่มที่ยี่สิบห้าในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกท่านก็พูดไว้อีกแง่หนึ่งกล่าวถึงบุคคลว่าสาวุปาที่เสสะบุคคลหมายถึงพระเสสะคอนุปาที่เสสะบุคคลหมายถึงพระอาเสสค่ะที่บอกว่า สาอุปาที่เสสะบุคคล9ก้นั่นก็คือพระเสขะนั่นเองตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนี่ยังเป็นพระเสขะบุคคลแล้วก็เลยไปถึงโน่นเลยครับเลยไปถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรกคด้วยก็เป็นเสขะอยู่พอไปถึงอรหัตตผลจึงเป็นอเสขะท่านจัดละเอียดถึงขนาดนั้น ที่จริงอรหัตตมักกับอรหัตตผลใกล้กันนิดเดียวแต่ท่านก็ยังแยกหัวข้อต่อไปนะคะโคตระภูยานมกคยานผลายานกับนิพพานพอปฏิบัติมักมีองค์8ไปเป็นมักค้าสมังคีแล้วก็จะไปถึงสัมมาญาณซึ่งเป็นตัวที่9และจะมาโคตระภูยานที่แปลว่ายานคล่อมโคตร ว่าตอนนั้นก็อยู่ระหว่างความเป็นปุถุชนกับความเป็นอริยะคือจะเรียกว่าเป็นปุถุชนก็ไม่ได้จะเรียกว่าเป็นอริยะก็ไม่ได้มันคล่อมกันอยู่ขาซ้ายอยู่ปุถุชนขาขวาอยู่อริยะเหมือนกับข้ามเรือขาหนึ่งอยู่ในเรืออีกขาหนึ่งอยู่บนบกแล้วแต่พอยกขาที่อยู่ในเรือขึ้นวางบนบกก็เป็นอริยะนี่คือโคตรพู ถามว่าในโคตรพูยานกิเลสสิ้นแล้วหรือว่ายังไม่สิ้นก็ตอบว่ากิเลสจักสิ้นคือมันเป็นอนาคตอยู่ทีนี้พอก้าวไปถึงมรคยานกิเลสกำลังสิ้นเป็นปัจจุบันพอถึงผลเลยานก็กิเลสสิ้นหมายถึงกิเลสตัวนั้นนะครับอย่างโซดาปฏิมรคยานแปลว่ากิเลสสามตัวกำลังสิ้นเหมือนคนกินอาหาร กำลังกินอยู่ก็เป็นมัรคยานพออิ่มก็เป็นผลยานพอสบายก็เป็นนิพพานได้ความสุขสบายที่เกิดจากการอิ่มเปรียบอีกอย่างเหมือนกินยาโรคเหมือนกิเลสธรรมเหมือนยาที่เข้าไปตัดโรคขณะกินยายาก็าไปตัดโรคระหว่างนั้นก็เป็นมัคยานอยู่พอไปตัดโรคได้หมดแล้วก็เป็นผลยาน ความสุขสบายเกิดจากการหายโรคนั้นคือ น, นิพพานโคตรรภูยานคือกิเลสดักสิ้นอันนี้ตามอัตถคถาชำ้ำภูขาท ก, กะสูตรในสังยุตตนิกายสลายตนะวักผมพูดตามอัตถคถาไม่ได้พูดเองโคตรรภูายานกิเลสจักสิ้นมัคคยานกิเลสกำลังสิ้นผลญานกิเลสสิ้นแล้ว คือว่าสิ้นเป็นเรื่องๆนะครับอย่างมัรคยานในโสดาบติมรักก็สิ้นไปสามตัวในอนาคามิมรักก็สิ้นไปห้าตัวในอารหัตตมรักจึงจะสิ้นทั้งหมดหมายถึงสั่งยน์ิ0เป็นตัวตั้งมักคยานเป็นตัวกำลังตัดกิเลสขั้นโสดาบันก็ตัดได้สามขั้นสกิทาคามีก็ตัดสบันเทาได้สามทราคะโทสะโมหะให้เบาบาง ส่วนอนาคามีตัดได้หส่วนพระอระหันตัดได้หมดเป็นผลญาณกิเลสสิ้นแล้วต่อไปเป็นนิพพานเพราะได้รับผลสืบเนื่องมาจากผลญาณแม้แต่การดับกิเลสที่เป็นวิษธมพนประหารถือว่าข่มไว้ด้วยกําลังชาญก็ต้องใช้ปัญญานัตถิชาณังอปัญยัสสะชาญไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา นัตถิปัญญาอาชายิโนปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานเป็นการข่มเอาไว้ด้วยปัญญาเปรียบง่ายๆมีคนด่าเราเราไม่โกรธตอบนี่ก็ใช้ปัญญาเหมือนกันอันนี้ตรงกับพุทธภาษิตโกทางปัญญายะอุจินเดบุคคลพึงดับความโกรธ ด, ด้วยปัญญาต้องใช้ปัญญาตรองหาเหตุผล ในนิพพานสูตรเล่มที่2 3่สิข้อสองนวาวกานิบาตอังคุตรนิกายพระสารีบุตรได้กล่าวถึงความสุขสิบชั้นอันนี้ก็มาจากที่ท่านกล่าวว่านิพพานนี้เป็นสุขพระอุทายีก็ถามว่านิพพานไม่มีเวทนาจะเป็นสุขได้อย่างไรพระสารีบุตรตอบว่ามีสุขอยู่เก้าชั้นกามาสุขหนึ่งชาณสุขแป คือรูปฌานสี่อารูปฌานสี่ความสุขที่ได้จากฌานทั้ง8ดชั้นเป็นความสุขเหมือนผู้ที่ยังอาพาธอยู่เหมือนคนป่วยอยากกินของแสลงพอได้กินก็มีความสุขแต่เดี๋ยวโรคมันก็กำเริบอีกส่วนนิพพานสุขเป็นสุขของผู้ไม่มีอาพาธแต่ในที่นี้ท่านยกเอาสัญญาเวทยิตาเนโรสมาเป็นตัวอย่างของนิพพาน คือดับสัญญาและเวทนาเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธหรือนิโรธสมาบัติถ้าจะตั้งปัญหาว่านิโรธสมาบัติคืออะไรก็คือการเข้าสมาบัติที่เรียกว่าดับสัญญาและเวทนามีรายละเอียดไม่ใช่เข้ากันได้ง่ายๆอย่างที่เข้าใจกันท่านที่ได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีเป็นอย่างน้อยและต้องได้ฌานแป เจโตวิมุตต์ด้วยหรือพระอาหารหันต์ที่ได้เจโตวิมุตต์ด้วยไม่อย่างนั้นทำไม่ได้พระอาหารหันต์ที่เป็นสุขาวิปัสสกก็ทำไม่ได้เพราะว่ากำลังสมาธิไม่พอถ้ายังไม่ถึงอนาคามีก็ทำไม่ได้เพราะยังละราคาไม่ได้กำลังจิตไม่พอเหมือนกันคือมีรายละเอียดเยอะบางทีผมฟังวิทยุได้ยินประกาศว่า พระองค์นั้นองค์นี้ออกจากนิโรธสมาบาตัติวันนั้นวันนี้ขอให้ไปใส่บาทรทำบุญกันจะได้บุญมากแต่มันไม่ใช่โคศกควรจะพูดให้ถูกบางทีอาจเป็นพระที่ออกจากปริวาสกรรมไปอยู่ปริวาสนี่คือถูกทำโทษถูกกักบริเวณโทษแรงนะครับเป็นอาบัติสังฆาทิเศต ร, รองจากประราชิกใครไหว้ก็ไม่ได้พระดร้วยกันไหว้ก็ไม่ได้ สามเณรว่วอย่างที่เคยก็ไม่ได้พระพูดน้อยกว่าจะไหวก็ไม่ได้จะนั่งบนอัสนะสูงก็ไม่ได้ท่านมีข้อจำกัดเยอะเลยถือว่ามีความผิดซึ่งจะต้องถ่ายถอนที่น่าสงสารก็คือถ้ามีพระอื่นเดินผ่านไปพระที่อยู่ปริวาสการรมเห็นข้าวต้องรีบไปบอกไม่บอกไม่ได้ต้องนับหนึ่งใหม่ ถ้าอยู่มาถึงหราตรีแล้วจะครบหอยู่แล้วมีพระเดินผ่านมาเห็นเข้าต้องรีบไปบอกว่าเป็นอาบัติสังฆาธิเศษข้อนั้นข้อนี้ทําเฉยไม่ได้คือต้องแสดงอาบัติตลอดคือให้ประจานตัวเองจึงให้ไปอยู่วัดที่มีพระน้อยๆและค่อนข้างเป็นวัดลี้ลับหน่อยโฆศก็ต้องพูดให้ดีไม่งั้นผู้ฟังเข้าใจผิดกันแย่